เอาง่าอย่าซีเรียกเรื่องยักษ์ทันคนมีชายคนหนึ่งลงทางในทะเลทรายมาสามวัน เขาก็ได้พบกับตะเกียงวิเศษพอถูแล้วก็มียักษ์ออกมาจริงๆยักษ์พูดกับชายคนนั้นว่าเจ้าสามารถขอพรได้3ขอ้อแต่ต้องทำตามค่า1ขอ้อชายคนนั้นตกลงทันทีและขอพรว่า 1. ขยอยากกลับบ้าน 2. ขยอยากได้เงิน1ิบล้านบาท 3. อยากได้เมียสาวส ว, สวยสักหนึ่งโหลยักษ์ก็ทำตามดังที่เขาขอพอเสร็จแล้วชายคนนั้นก็ถามถึงเรื่องที่ยักษ์ขอแต่แรกเพื่อจะได้เสวยสุขกับสิ่งที่ได้มายักษ์ตอบว่าข้าขอคืนทุกสิ่งพอพูดจบยักษ์กับตะเกียงวิเศษก็หายไปเลยชายคนนั้น กลับมาอยู่ที่ทะเลทรายเหมือนเดิมเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยวิธีการง่ายๆนอกจากเริ่มต้นด้วยการลงมือแสวงหาสิ่งดังกล่าวจึงจะสำเร็จผลได้